นั่งตามสบายนั่งยังไงก็ได้ไม่สบายนั่งไม่ท่าสบายปอดคลายับเผือนขัดสมารถได้หมดคจริงแล้วนี่บรรยากาศมันเหมาะมากเลยนี่เหมือนเป็นหน้าฝนจริงเลย เรามานึกถึงคราอาจารย์รุ่นเก่าที่เรียงรา ย, ยาเต็มศาลานี่ท่านก็ได้เจอบรรยากาศอย่างนี้แต่ไม่ใช่ในวัดเราลองนึกภาพดูตอนนี้อยู่ป่าแล้วแขวนกดลมฝนบนข้างล่าง มีพาพ้าปูท่านลมแรงกดก็่วยไม่ได้อันนี้คือสภาวะาาที่คระบาจารย์ท่านผ่านมาผ่านร้อนผ่านหนาวก็พวกเราที่าเป็นบาลาีก็จะพูดยาอธิบายขยายความให้พวกเราฟังจนนี้เป็นช่วงวิสาหะ จริงๆแล้วมันก็คือเดือนหกไปตรงๆอย่างพวกเราเดือนหกและเอื่อวันวิสาขะเป็นวันสำคัญของโลกที่โลกขารับรองอัสุร น, นึงเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มันคล้ายกับวันประสูติจารุเพลิงพันของุทธเจ้าของเรา หรือว่าเป็นศาสดาที่ยิ่งใหญ่ที่บันทึกเอาไว้แล้วก็เป็นที่ยอมรับอะไรที่จิงที่เราหน้าภักภูมิใจดการบวชด้วยธรรมะของพวกเราก็คือการเจริญรอยตา่างอุจจาระปฏิเพ็นบางอ่านึ่งเสด็จทัดแล้วก็เพิ่มเป็นอย่างยาวอย่างกลางอย่างละเอียดเป็นสามสิบ จริงมันก็ีเสรตรนั่นเนี่ยเมฆามะก็หนึ่งในนั้นแปลว่าคนที่จะเป็นพุทธเจ้าที่จะปรารถนาเป็นพุทธยาทุกพระองค์จะต้องบำเพ็ญในฆมะบาลานี้ทุกพระองค์ผู้จางเราเช่นเดกัน ในสมัยที่สวยพระชาติเป็นเตนีอยากที่เราเรียกเตนีใบเนี่ยก็คือในขมะบารมีต้นแบบของพวกเราเหตุใดที่จึงชื่อว่าเตนใบเพราะว่าหลังกาที่ท่านประสูติคือเกิดมาแล้ววันหนึ่งมีพระเจดิดา สังส่งปานสั่งปานชีวิตตั้งแต่ยุทางยังไม่ถึงขั้คือพูดไม่ไดังแต่ ร, รู้เรื่องแนละ้วก็เลยมัคิดว่าโอ้ถ้าต่อไปเราเป็นพระราชามาสัตย์ต่อจากราชบิดาของพวกเราเราก็คงจะเป็นอย่างนี้คือจะต้องสั่งฆ่าค น, น, พนหพยังไงสั่งทหารคน มันเป็นกติกามีอยากทำก็ต้องทำา้องคนรลงมือสั่งก็เลยคิดหาวิธีโอยังไงทีกอยาก่างไม่ให้เป็นอย่างได้ก็คือทำตัวเป็นใบบาเสจริตไม่โูดเหมือนแล้วก็เป็นใบตูกค์คมคูสรารพัดทั้งอาวุธปืนผาหน้าไม้จอ ดาบทำท่าจะประหารกลาจะตัดคอเพื่อให้พูดท่านก็พยายามพูดเสแอะอนบานนําผึ้งทาตัวน้ำอ้อยทาตัวมดตายกัดเต็มไม่หมดทรมานกัดเ พ, เพื่อให้ร้องเพื่อให้รัวพูดไดมันจพูดไม่ได้ก็ยังไม่เชื่อพูดไม่ได้ท่านขมยองพูด แล้วก็เป็นคันตีบารมีอีกอันจนใช้เวลาสิบหกปีไม่พูดสิบหกปีดูพวกเราทำได้ไหมวันเดียวกันไม่ได้แล้วพวกเราจะครึ่งวันก็นไม่ได้แล้วแต่ตีนีตีบียะหนี่ยสิบหกปีจนโหน ใหม่แล้วเจ้าหองก็ไปถามเจ้าหงว่าเป็นยังไงกับ ร, ชปปราชพิกรมันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้จปกครองเพ่อฟ้าประชาชนยังไงเจ้าหองนี่ก็ต้องมีคําตอบถ้าไม่มีคําตอบตัวเองก็ขอขาดเหมือนกันก็เลยบอกว่าโอแท้จริงแล้วเจ้า ช, ชายโอ้นี่เป็นการละกินนี้ต้องออกไปประหาร ทุกคนก็เชื่อเอาไปไปประหารไปสารทีพาไปดีไปชา้าปีติดโดยการฟังฟังทุกเป็นเน พ, พราะปเมีก็คงคิดว่าคงถ้าเวลาของเราแล้วล่ะก็จะต้องสแสดงตนว่าเราไม่ได้เป็นใบเรากูดุได้เราไม่ได้เป็นบาก็เลยคุยกับสารที ที่กำลังขณะคุดหลุมอยู่สารทีก็ตกใจวิ่งกลับไปวังวุยแจ้งในพระจีดามันดยายะอุสาหารญาติก็มาที่ป่าช้าสุดท้ายคนทั้งหมดก็ปฏิญาณตนเป็นนักบวชเป็นกรรมะออกบวชเป็นฤาษีชีพัยเป็นกางทั้งผู้หญิงผู้ชาย แล้วก็สำเร็จชานคือรูปฌานอรูปฌานคือสมบัตปแต่ว่าไปได้แค่ชั้นพรมไปได้แค่ชั้นพรมแต่ก็ยังดีก็สุดท้ายก็คันละสิ่งเหล่านั้นไปนั้นความหมายคำว่าเนี่ยคำมะที่แท้จริงของพวกเราที่ทำอยู่นี้ก็คืออันนี้นะี่ประมาณ แต่ความหมายก็ได้หนึ่งก็คือการ WTO จัด ก, การคือการสละทางโลกที่เราเป็นอยู่มีอยู่อย่างน้อยจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างในขณะที่ใช้ชีวิตแบบโลกโลกกับชีวิตการทำ ม, มันจะได้เห็นความแตกต่างก็แตกต่างกันไงที่สําคัญคือมันจะเป็นภัสนาบารมีของพวกเราถ้ายามหมดไม่พ้น ชาตนาชาตไหนก็มาดูจะได้เป็นนิสัยถ้าไม่ทํามันจะไม่มีนิสัยอย่างนี้ต่อใครลากมาต่อให้ตั้งรางวัลเพื่อมาบวชในธรรมะก็มีมากันยิงฝนต ก, กนยิ่งนักปฏิบัตเพราะาไม่มีศาสนาแบบนี้มาทางนี้อุทิศตัวอย่างแล้วก็อยากให้ พวกเราเอาปฏิปทาของเตมีลาเตมีลาอันนี้เอาไปใช้บ้างคืออย่างน้อยที่สุดท่านไม่พูดเลย16บปีพวกเราเอาแค่พูดให้มีสติหน่อยก่อนที่จะพูดขณะพูดพูดไปแล้วขอให้มีสติหรือสำคัญที่สุดคือ ถ้าไม่จำเป็นให้พูดนะ้อยที่สุดต้องหยุดพู้ได้ช่วงระยะเวลาเนะี่ยพื่อให้สมกับปฏิปทาของได้ขมั่นที่เป็นต้นแบบต้นฉบับของพเราท่านได้พูดดังสิบหกปีอยู่ได้เพวัะนั้นอะไรที่ยังไม่จําเป็นอื่นๆเนีนยช่วงระยะเวลามันก็ไม่ได้เยอะวันนี้ก็หมดไปวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุนี้เราจะที่ช่วมเช้าช่วมบ่ายก็ปฏิโม่ จริงๆแนละ้วปฏิมบอกพวกเราเข้าไปฟังได้ไม่มีการห้ามฟังได้แต่อยู่ห่างัาถาบัตมเองวันต่อไปก็ลาสินแล้วเรียนชมก็เวลาที่เราเข้ามาในธรรมะคือบวแล้วสละแล้วอย่างน้อยก็จพยาให้เราเห็นข้อแตกต่างคือข้อดีข้อเสีย กูจได้นําเอาไปใช้ในชีวิตประจำะวันการพิจารณาตัถึอโทษที่มันเกิดจากเราไม่ค่อยสํารวมตั้งแต่หัวจนถึงเท้าแต่เป็นเรื่องที่พระเจ้าตัดไว้ตั้งแต่ตาเป็นต้นมาลงมางต่าตั้งหูจนถึกปากถ้าหลายแหล่มันก็ควบคุมได้ด้วยสิ่ที่พวกเราเป็นเที่ยงแค่ใจแปดข้อเท่านี้ก็ มันเพียงพอที่จะสามารถควบคุมกายวิญญางตัวเองได้คือไม่เป็นโท่าเภัยกับใครแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าใครนับถือได้ท้าวรมันจะเป็นประโยชน์ในวงกว้างในใระยะไกลถ้าพร้องปูองงอ่ายๆคือในปัฏฏะสนสารอันนี้ถ้าใครมีศีลเป็นประจำมันเป็นนิสัยมันก็จะเป็นประโยชน์ เนีอันนี้คือวัตถุประสงค์ในการเข้ามาบวชในกรรมะเกิดเสียสละนั่นเองเพราะนั้นช่วงยะเวลาที่มันอยู่เนี่เราทําอะไรก็ได้ที่ให้สติอยู่กับตัวมันมากที่ตัวเองอมากได้ยุ่งกับคนอื่นเนีมันน้อยลงในทุกเรื่องพยายามสื่อสารกับคนอื่นมันน้อยลงเท่าทียน้อยได้ เพราะเวล า, ามันจํากัดเวลาเรียนน้อยเมื่อเราไม่ยงกับคนอื่นจริงๆเรื่องในใจของเรามันก็มีสารพัดเรื่องอยู่แล้วที่ไปต่อสู้กับมันเยนะแยะถ้าเราไม่นิ่งถ้าเราบุกเบิกทําอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จักว่าของที่อยู่ในใจของเราคืออะไรมันก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือกําจัดสิ่งเหล่านั้นออกจากใจของเราได้ในช่วงระยะเวลา ที่เรามีอยู่เนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีโดยยิ่งพอก็ยิ่งคือนะครับที่พวกเราพวกเรามาถึงคนไทยกับคนหลายชาติที่เป็นพูดเหมือนเราแต่เขาไม่ได้มีโอกาสอย่างพวกเราโอกาสน้อยน้อยมากๆแเราเห็นความตั้งใจของพวกเขาโดยการแสดงออกในการคำถามก็ดี บางคำถามก็เป็นเรื่องที่พวกเรารู้ๆเปนอยู่เช่นก็ถามว่าเขามีเพื่อนสองคนคนหนึ่งชอบทำทานแล้วก็รทาทานก็พิธีพิถันที่โด น, นขนขถ่เป็นเรื่องใหญ่อีกคนหนึ่งก็ทำเหมือนกันแต่ยังไงก็ได้สองคนเนี้ยจะบอกเขายัางไงดี นั่นพวกเราจะตอบเขาายังไงเราจะแนะเขายังไงดีหลวงพ่อเขาบอกว่าการที่มีเพื่อนเป็นเรื่องดีๆเป็นกัละยาณมิตรพอเมตที่ดีเพื่อนที่ดีมันเสมือนกบรบมีญาติที่ดีดที่เองแต่ว่ากัละยาณมิตรนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับ สศรษฐิงเงินทองของเม็ข้าวว่าเรากตกทอนไม่เกี่ยวเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นที่ดีแต่เราจะลืมไปว่าการปฏิบัติธรรมคือการเห็นตัวเราเองไม่ใช่เห็นเรื่องของคนอื่นเพราะนั้นเรื่องที่ถามมาทั้งหมดคนนั้นเขาชอบอย่างนี้คนนี้เขาชอบอย่างนั้นเราจะให้เราทำยังไงไม่ต้องทำอะไรมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลย เราไปยุ่งเขาทาั้งหลายพูดยอยู่อยู่ดีไม่ว่าไปแบกทุกคนอื่นเขาโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวถ้าว่าเจตนาดีนี่ดีอยากให้เขาทําอย่างนั้นอยากให้เขาทําอย่างนั้ น, น, นไม่เกี่ยวอะไรกับเราในบททุกขโดยไม่รู้ตัวคือไปทุกข์กับคนอื่นคือโดยธรรมชาติทั่วไปมันก็เป็นอย่างนั้นู่แล้ว นั่นก็คือนะให้ดูทุกข์ของตัวเองซึ่งมันมีอยู่แล้วมันจะได้แก้ไขปรับปรุงว่าเราคิดอะไรเคยคิดอะไรเคยพูดอะไรเคยทําอะไรกลับไปแก้ไขในสิ่งเหล่านั้นอย่าให้มีอย่าให้เป็นอย่าเกิดขึ้นอีกนั่ น, นคือหนะ้าที่ของเราโดยตรงไม่ใช่หน้าที่ไปแก้ไขคนอื่นเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมพอถ้าเข้าใจตรงกันอย่างนี้แล้วทุกคนต่างแก้ไขตัวเอง อยู่เป็นร้ายก็สงบแต่ถ้าไปดูอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวก็เดือดร้อนเพราะจิตไม่อยู่กับตัวเองเนี่ยคืออันนี้ส์การปฏิบัติหรือว่าวัตถุประสงค์การปฏิบัติธรรมต้องการเป็นอย่างนี้เราฝึกกันนี้เป็นประจำเหมือนตอนนี้พ่อเปรียบเทียบให้ฟังเสมองเบาตอนนี้มัฝนตกอยู่ เราลองออกไปก็หนอกไปตากฝนนะเป็นไงมันก็เปียกอยแต่ถ้าอยู่ข้างในมันก็เป็นไรเหมือนกันจิตของเราอยู่ในกายดีเนี่ยเอาไปเที่ยวข้างนอกเอาไปตากแดดตากฝนแล้วบอกว่าเออทำไมมาถึงเปียกทำไมมาถึงร้อนมนะคุณไปตากแดดมันก็ร้อนอยู่ร่มมันมีตัวเรามันมีกายเรามีแต่จิต มันเอาไปตากแดดต่างฝนแล้วก็ไปบ่นว่าวันนี้โดนฝนมาอา่าวคุณไปตากฝนเหมือนตอนนี้คุณไปตากแดดมันก็โดนฝนเลยถ้าอยู่ข้างในไม่เป็นไรจิตเราเหมือนกันก็าเอาไปตากมาันก็ไปนโดนฝนมันอยู่ที่เราแล้วทีนี้ไปโทษฝนไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของเขาไปโทษไม่ได้โทษแดดไม่ได้นี่เราไปตากแดดเอง เราคือจิตเนี่ยมันออกจากบ้านคือร่างกายเราเองเนี่ยเพราะนั้นการฝึกก็ต้องการให้สติอยู่กับบ้านอยู่กับตัวเรามันจะได้แก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นดีขึ้นอันนี้คือการปฏิบัติหลักในการปฏิบัติถ้าเอาคิดได้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแนวเป็นแนวกั บ, ก, บก็ว่าม่อมีปัญหาเกิดขึ้น รหรือปัญหานันเป็นปัญหาของคนอื่นหรือเป็นปหาของพวกเราถ้าเป็นปัญหาของคนอื่นก็ให้น้อยลงพเพราะนี่ยะอะไรกับกเราจงเล็นที่เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกันอะไรที่มันไม่ได้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็เราก็ได้แต่แสดงความสังเวชความสลดใจแต่เขาดีด้วยก็อนุโมทนาถ้าเป็นปฏิปีกแสดงความสลดใจโดยธรรมะสังเวชธรรมะสังเวชไม่เกิดขึ้นปัญญาไี่เกิด ปัญญาไม่เกิดก็เบอกว่าธรรมะสังเกตตอนนี้มันไม่เกิดกับเราเพรานันช่วงระยะเวลาที่เรามีอยู่ไม่ไถือว่ามากเลยก็อยากให้พวกเราคิดได้ด้วยตนเองในบางเรื่องบางอย่างในชีวิตจริงเป็นอยู่ร่มต้นตั้งตั้งต้นที่ทุกข์คำวาทุกข์ถามว่าถ้าเราเข้าใจถึงพระพุทธเจ้าเราเคารพพุทธเจ้าสูญสุนต้องถามว่าพระพุทธเจ้า พูดเรื่องนี้อย่างไรคิดเรื่องนี้อย่างไรให้ปฏิบัติกับเรื่องอย่างนี้อย่างไรให้แจ้งแจ้งเองคือเราแทบไม่ต้องไปคิดเลยพูะจะคิดให้เราแล้วพูดให้เราแล้วทำให้เราแล้วแล้วก็บรรยายพูด เ, เป็นพันพันปีมาแล้วเราจะอยู่กับผู้นี้อย่างไรแต่เราไม่ฟังพอเราไม่ฟังก็เป็นละเมิดก็ละเมิดศีลทั้งหมดที่อยู่ตัวเองก็เดือดร้อน ก็มันก็อยู่ได้ดีก็มันก็ไปตักคนตนนัวเนี้ใครไปตากก็โดนหมดอ่ะไมมีใครยกเว้นในทางทางอยากให้จิตตัวเองเดือดร้อนคือทั้งเดือดทั้งร้อนก็ให้อยู่ในตัวเราให้มันมากที่สุดต้องยี่งมากเลยคือสติเองสติให้อยู่กับตัวให้มากที่สุดแล้วมันก็จะปลอดภยัยแต่ไปข้างนอกไม่ปลอดภยัยอะไรกคือ วัตถุประสงค์ของการเข้ามาบวชในธรรมบารมีรนะครนี่นั้นก็ทุกคนก็ดูแลตัวเองทำยังไงก็ได้ให้สติอยู่กับตัวเองแต่ไอ้บททั้งสีก็คือยืนเดินนั่งแม้กระทั่งนอนก็ตามให้มีสติสำคัญตอนนี้ยืนยังไงให้มีสติเดินยังไงให้มีสตินั่งยังไงให้มีสติส่วนนอนน่ย สักพักหนึ่งมันก็สติก็ไม่อยู่กับตัวแล้วมันอยู่ก็บเลือแต่ภาหวังกับจิตที่มันขอพวกกว่าชาติเต็นไปเที่ยวนั่นแหละเวลานั้นมันก็เมือ น, นกันั่งสมาธิเมจ่อจิตสงบแล้วกายกับใจมันจะเข้าใจโดยอัตโนมัติร่างจิงตาคนนอนนะพระอเดียวดนอนจึงไม่เหมาะ สำหรับการปฏิบตัติเรากำหนดได้กำหนดมาว่าก่อนที่เราจะหลับก็คือกำหนวดว่าตั้งจิตเอาไว้หรือแม้กต่อีกทีว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะกำหนดพุทโธหรืออะไรก็ได้ซึ่คเราก็รู้สึกตัวคืนหนึ่งหลายรอบแต่ว่าแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเรียกยันกลับเข้าไปข้างในอีกอ น, นั่นคือลักษณะของจิตเพราะฉะนั้นเมื่อมาตื่นตัวจะว่ า, าตื่นก็บาง คำว่าตื่นนั่นแหละการรู้มัมีพรรษาคือกระทบภาษาจิเกิดเวทนาสามอย่างคือสุขทุกข์เฉยจิตเราก็ไปอยู่กับสุขไปอยู่กับทุกข์ก็อยู่กับเฉยเฉยแล้ว อ, อ, อยู่ข้างในแล้วนะกําหนดไปได้แต่ไอ้ตัวนะั้นไอ้ตัวที่มีอิทธิพลต่อพวกเราในชีวิตประจําวันเรื่องสุขกระหลงก็คือนคลายกหลงเรื่องทุกข์ก็ลำบางอยู่ไมได้อึดอัดกัดเครื่อง อรมานทรกรรมแต่ถ้าอารมณ์ที่เป็นอุเบกขาคือเฉยๆวาอารมณ์ได้น้อยคนที่ทําได้ถ้าไม่ฝึกทําไม่ได้อารมณ์ที่เป็นเฉยๆวางเป็นงปลังทำได้แต่มันเป็นประโยชน์อย่างมากนั้นฝากกเราทุกคนว่าเราเสียสละโอกาสเวลาที่มีอยู่ลูกหลานครอบครัว นาทีการงานเพื่อเข้ามาพึ่งทางธรรมทางวัดทางวาเดียวเนี่ยข้ามาอันนี้ก็พยายามตักตวงให้เป็นประโยชน์คือให้ได้รพโยรให้มากที่สุดส่วนทีเน่เป็นโทษก็ให้มันน้อยลงโดยเพาะอันยิ่อองคือการเรื่องกินซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ก็พยายามกินให้มันพออิ่มพอประมาณอาต่าไปเยะเคยเล่าสเสมอว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเดียวยได้ทั้งแปดสิบปี เขาบกว่ากินมื่อเดียวลรา อ, อยู่สั้นเสชิคังคะคือไม่หลับเป็นนอนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่เหยียดยาไม่หลับเลยหลับเป็นหลับแง่องค์สมาธิางองค์อยู่ได้เป็นร้อยปีงองค์อยู่ได้ร้อยสี่สิบปียุคสมัยเราบางองค์อยู่ได้ตั้งเก้าสิบปีเนสชิคังคนะนี่นเพราะฉะนั้นเราแก้ ว, วันสวันคืนแต่คืนใช้วันให้เป็นไรไม่ตายหรอก อยากใหได้รู้ว่าเออเรไม่นอนดูมั่งหรือนอนน้อยหรือบั่งกินน้อยหดูมั่งเราจะเข้าใจเวทนาเป็นยังไงแค่เห็นเวทนาส่วนรูปเนี่ยเราเห็นมันเยอะรูปที่เป็นรูปหยาบเนี่ยเห็นเข้าใจแล้แต่เวทนา ส, ญญาสัญญาสังขารจิตญาณเรายังไม่เข้าใจนันเป็นเรื่องหรือเป็นภาระของพวกเราที่ต้องดูแลจัด ก, การให้เข้าใจในอารมณ์เ่านั้น เราเข้าใจอย่างในระขั้นตอนต่อไปครับมันทุกอย่างมันจะเป็นอัตโนมัติหมดหมดจิตมันเป็นอัตโนมัติเรืเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเมื่อจิตมันเป็นอัตโนมัติอย่างนี้แล้วเราจะเข้าใจจิตว่ากายกับใจจะได้เข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันจริงๆบางคนละเรื่องเป็นมันอาศัยกันอยู่เหมือนบ้านกับเราตอนนี้ ตอนนี้เราออกจากบ้านบ้านก็คือบ้านเราก็คือเราเหมือนกันจิตก็เช่นเดียวกันจิตอันนี้ก็คือจิตร่างกายรูปเด็กก็คือรูปธรรมนามธรรมเมื่อมันโดนเวทนาบีบหั่ น, น, น, นดังๆจะเรีดกหรืความเจ็บแค่ได้ป่วยหรือบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่สาหาันจิตมันอยู่ไม่ได้มันก็เดดออกออกจากร่างมันก็เหลือแต่สี่ตัวคือเวทนาแต่ละอางทีนี้เราไม่เคยฝึกเลย ไม่เคยทำความเข้าใจก็่เคยรู้จักเลยนมันก็เหมือนกับอยู่ๆเรานอนแล้วก็ไปเลยจะมาท้าทาอะไรเลยมันก็เหลือที่สี่ตัวคือเบตนาแต่เจ็ดมันต้องมีที่เกาะวิธียึดมันก็ยึดเอารูปที่เป็นหยาดนี่แหละไปแต่ถ้าคนที่ได้เป็นฌ า, านอง์ฌานคือรูปฌานถ้าก็ยึดเอารูปแต่ไปอารูปฌานถ้าก็ยึดติเป็นอารู ป, ปร เปลเพราะฉะนั้นคนที่จะไปไกลกว่านั้นก็คือต้องวางทั้งรูปและอารมณ์ถึงจะไปไกลได้วันนั้นพระอาจารย์ถึงไปนิยมสอนเราเรื่องแต่ว่าจาเป็นต้องรู้ต้องไปต้องเข้าใจจ้เปไปต้องมีเป็นประโยชน์อย่างน้อยที่สุดก็ไปต่อข้างบนได้เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้าแต่ปดดิกิตรแค่นี้ก็ไปนั่งไม่ได้ วิธีรูปกับอรูปอันนี้ยก็กลับไปกลับมาเหมือนเดิมหรือไปต่อข้างบนแล้วแต่อันนี้คือขั้นตอนหรือวิธีการหลักการก็ฝากพวกเราทุกคนว่าเป็นกําลังใจให้พวกเราช่วงระยะเวลาที่มันไม่ได้ดีมากเลยพยายามฝึกถือว่าเรามาฝึกตั้น่ยฝึกตัวเองให้มันมากขึ่ตัวน็นยังไงได้เรื่องอยู่เรื่องกินยืนเดินนั่ง แล้วก็นอนมเห็นไหมเต็มในใบอันนี้สองเต็มในใบกระดัดเสียงเดียวน่ะอันนี้นเต็มในใบกำลังบ่อยากให้พวกเราเอาให้เป็นกรณีสาธาเป็นตัวอย่างอาจจะมีช่วงระยะที่หลังจากเราปฏิบัติแล้ว อาจจะมีคําถามถามอาจารย์องค์ไหนก็ได้ในหลักการปฏิบัติคดีคืออยากจะให้ครบทั้งปริยัตปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวรคือผลของการปฏิบัติเราจะจะรับอนุสงรครบทั้งสามอย่างปริยัต ก, ก็มีการเรียนรู้โดยเพยิ่งยิ่งทุกวันนี้มันเริ่มมีข้อแปลกแตกตา่าง ที่ครูาอาจารย์สอนอะไรแปลกๆเยอะแยะมากมายเราจะได้รู้หลักธรรมที่แท้จริงหมายก็ว่าคำสอนที่ผู้เจ้าสอนจริงเขื่อจะได้ไม่สับสนคือหลักธรรมคำสอนของผู้เจ้าอย่างแท้จริงจะเอาไว้สับชั่วโงที่เป็นการสอบถามแล้วก็วันนี้ไม่รู้หนังสือแจกกันได้ยังหนังสือที่เราพิมพ์มาแจกกันได้ยัง เอามาแจกเออเอาเอ่านดูมันเป็นหลักมันมันเป็นหลักปฏิบัติอันนี้ต้นฉบับจริงๆคือลุปูมหาปินปัญญาปโลลุ ป, มปูมาิเป็นเป็นมาป ร, ริญญาแล้วก็เป็นน้องชายของลุปสูสิงค์คัดียาขโมงแล้วลุปูสิงค์หรือครูบาอาจารย์เราก็เป็นลูกศิษย์ของลุปูสิงค์สายลุปสิงค์เขียนเอาไว้เรื่องใจสนุนมแล้ว รูปูั้งอินก็เอามาใช้แล้วก็มาขยายความในท่านที่สองท่านที่สาก็เป็นคำาเเศคล้ายๆก็เอามายขยายกันที่หนึ่งกันที่สองเดระมาหมายพวกเราอ่านช้าตทำความเข้าใจนี้ได้ประโยชน์ก็คือการกข่าวถึงพัตนาใจคือผู้ตามผสมแบบสั้นๆยาวๆ